ธรรมะหรือว่าสิ่งที่สอนใจเรามันไม่ได้มีแต่อยู่ในคำพี่อยู่ในคำสอนของครูบาอาจารย์หรือว่าอยู่ในพระไตรตปิฎกแต่เพียงเท่านั้นนะแต่ว่าสามารถจะเห็นได้นะ จากทุกคนทุกแห่งรวมทั้งจากเรื่องราวนะของผู้คนนั่นได้ฟังเรื่องราวของคนคนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันให้แง่คิดที่ดีเรื่องนี้ก็ถ่ายทอดมาโดยคนที่ชื่อเปียกโปสเตอร์พวกเราที่เคยดูหนังเมื่อสัก 30- 40ปีก่อนนะก็คงจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ เขาเป็นนักสร้างหนังที่เอมีชื่อมากตอนนี่เขาอายุ80กว่าแล้วก่อนที่เขาจะมาสร้างหนังเขาเป็นนักวาดภาพโฆษณาหนังนะที่เรียกโปสเตอร์โปสเตอร์หนังเขาก็วาดแล้วก็ลงหนังก็เอาไปพิมพ์เผยแพร่เป็นการโฆษณาหนัง เร า, าว่าตอนที่เขายัางหนุ่มเนี่ยเขาก็มีเพื่อนที่ร่วมงานอยู่สองคนนะที่ช่วยวาดภาพโปสเตอร์เนี่ยเอาคนหนึ่งก็ชื่อเกษียนะวันหนึ่งทั้งสามคนก็ไปกินอาหารในร้านพัตคารแห่งหนึ่งก็เกษียนเขาเห็นคนเมานะอยู่ ตรงโต๊ข้างๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยโง่ชิบหายเลยพูดแบบนี้เลยนะโง่ชิบหายเลยกินเหล้าแล้วก็โดนเหล้ากินแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนเขาก็มีการทําบุญเลี้ยงพระก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการทําบุญเปิดบ้านใหม่นะ พอพระไปแล้วนี่ก็มีการเลี้ยงกันนะโต๊ะอาหารก็มีนะมีเบียนะอยู่ทุกโต๊ะเลยทั้งสามคนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะก็อยากจะรู้ว่าทำไมนะคนถึงติดเหล้ากันนักก็ลองชิมเบียก็รู้สึกว่ามันเปรี้ยวๆฝืดๆนะนเบียโปสเตอร์นี้เขาสอว่ามันไม่น่ากินเลยนะ หลังจากนั้นไม่นานขณะที่ทั้งสามคนกำลังวาดภาพกำลังทำงานอยู่คนที่ชื่อกระเสียนนี่ก็ไปเรียกลูกน้องให้ไปซื้อเบียร์มาเบียร์เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าอา้าวว่าเขาแล้วทำไมกินซะเองนะกระเสียนก็ตอบว่า นายไม่รู้อะไรนะเล่าเนี่ยมันเป็นของสเล่าเนี่ยเป็นของคนสะถุนไอ้พวกเรานี่นะมันกินเบียร์นะกินเบียร์นี่มันของคนชั้นสูงนะนเปียเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ต่อมานี่ก็บอกว่าคนที่ชื่อกษเซียนนี่นะก็ติดเบียร์ในที่สุดนะวันหนึ่งก็กินสี่ห้าขวดทีเดียว ถ้าวันไหนไม่กินก็ทำงานไม่ได้แล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเรียอลูกน้องให้ไปซื้อเหล้ามาเบียเขาก็เลยพูดว่าอา้าวนว่าเหล้าเป็นของคนสะถุนแล้วทำไมไปซื้อเหล้าเกษตรก็บอกว่านายต้องมีเหตุผลหน่อยนะทุกวันนี้เรากินเบียร์เวลาสีห้าขวดเนี่ยนะ นะมันใช้จ่ายเยอะมากน้อยก็รู้นะว่ารายได้พวกเราเนี่ยมันมีไม่เท่าไหรเองเนขืนกินเบียร์มากๆแบบนี้นี่ก็รายได้ก็ไม่เหลือสิเสร็จแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเหล้านี่เป๊กเดียวนี่เอาอยู่เลยอที่แรกนี่บอกว่าเลราเป็นของคนสะถุล น, นะแต่ตอนนี้นี่บอกว่าถ้าไม่กินเหล้านี่ทํางานไม่ได้นะ้มันดี นะพูดถึงว่าเหล้านี่มันดีนะมันดีกว่าเบียร์ต้องสีห้าขวดด้วยซ้ําสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงที่ว่ากเกษตรนี่ก็ติดเหล้าอย่างหนักแล้วก็เป็นอัมพาตแล้วก็ตายพเพราะเหล้านะเรื่องมันก็หักมุมดีนะจากคนที่ด่าว่าคนกินเหล้านะว่างโงนะ่สุดท้ายตัวเองก็ กลับมาติดเหล้าแล้วก็ตายเพื่อเหล้าไอ้คนที่ตัวเองด่าว่านี่อาจจะยังมีชีวิต อ, อยู่ก็ได้นะแต่ว่าคนที่ชื่อกเกษียณนี่ตายไปนานแล้วตายเพราะว่าเหล้าเรื่องนี้นี่ก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าเนี่ยมันมีคําพูดที่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาน ใครก็ตามที่ไปว่าคนเมาแล้วสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองจะมองแบบนี้ก็ได้นะแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าไปว่าคนเมาหรอกสาเหตุที่แท้นี่มันมันมีมากกว่า น, นั้นอะไรคือสาเหตุที่แท้นะก็คือความประมาทอย่างกเกษียณนี่เขาเขาคิดว่าเนี่ยเราทําอะไรเขาไม่ได้ เรามันทำได้เล่นงานได้แต่เฉพาะคนโงนะ่เขารู้สึกมั่นใจว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้เขาถึงพูดเช่นนั้นขึ้นมาว่าเนี่ยอไอคนที่กินเรานี่โง่เนยะไอความมั่นใจว่าตัวเองนี่แน่เนี่ยนะมันทำให้เขาประมาทนะแล้วเขาก็เริ่มต้นจากกินเบียนะ แล้วก็มีเหตุผลนะในการที่จะกินเบียร์นะว่าเบียร์เนี่ยนะมันดีกว่าเหล้านะเหล้าของคนสะตุนนะแต่ว่าเบียร์นี่ของคนชั้นสูงกินเพื่อผ่อนคลายที่แรกเหตุผลว่ากินเพื่อผ่อนคลายนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันกินเพราะว่าต้องทํางานถ้าไม่กินแล้วทํางานไม่ได้นะแล้วตอนหลังก็หันมาอ้างว่าต้องกินเหล้าเพราะว่ามันถูกกว่าเบียร์ นะคือเหตุผลนี่เขาออกมาเทีนลนิดเทเลนิตนะแล้วสุดท้ายก็โดนเหล้ากินนะแล้วก็ตายพเพราะเหล้านี่เป็นเพราะความประมาทนะเรื่องแบบนี้นีก่ก็นะมีเยอะแยะไปหมดนะคนที่ประมาทนะว่าเหล้าทำอะไรตัวเองไม่ได้นะสุดท้ายก็เสร็จพเพราะเหล้า เคยรู้จักพระรูปหนึ่งนะซึ่งท่านนี้เรียกว่าลนรงต่อต้านอบายมุกเต็มที่เลยเขียนหนังสือวาดการ์ตูนเขียนกรอนนะพิมพ์หนังสือนะเป็นพระที่มีชื่อมากก็โจมตีเรื่องอบายมุกต่อว่าตำหนิคนกินเหล้าก็บนได้สือกับบัญษาสุดท้ายก็สึก ไม่ทราบเหตุผลว่าศึกเพราะอะไรแต่ว่ามารู้อีกทีผ่านไป 4-5 หปีก็พบว่าอทิ์คนนี้ก็ติดเหล้าไปซะแล้วติดเหล้าถ้าไม่กินเหล้าทำงานไม่ได้จากคนที่เป็นพระปฏิบัตินะที่ต่อต้านอใบาามุกกลายเป็นว่าติดเหล้าไปซะแล้วแล้วก็ไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอบพระที่ต่อต้านอนบายมุกนะมันสวิงกลับไปเลยนะแล้วตอนรังกินเหล้าหนักนะถ้สุดท้ายไม่ทราบเป็นพ่ออะไรก็ฆ่าตัวตายนะอาปืนกรอกปากตัวเองนะตายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้นะว่าความมั่นใจนะในตัวเองมันทําให้เกิดความประมาท และมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเล่านะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เรื่องผู้หญิงเรื่องเซ็กหรือว่าเรื่องเงินหลายคนที่โจมตีดา่านักการเมืองว่าคอรัปชันเป็นคนเลวขายชาตินะสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเป็นนักการเมืองคอรัปชันเสียเองหรือถึงไม่ใช่นักการเมืองก็อาจจะเป็นข้าราชการที่คอรัปชันอาจจะเป็นผู้อำนวยการอาจจะเป็นอธิบดีนะ แล้วก็คอร์รัปชันเรื่องแบบนี้เราคงได้ยินบ่อยนะคนที่ด่าคนโน้นว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายตัวเองก็เป็นเองอันนี้ก็เรียกว่ามัมีสำนวนว่าว่าแต่เขาอินเนาเป็นเองสำนวนแบบนี้เป็นสำนวนบทสำนวนเก่าไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายัางเรียกกันยังใช้กันอยู่หรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดเพราะเพราะความประมาณ เพาความหลงตัวว่าตัวเองเนี่ยนะไม่มีอะไรจะมาทําให้คลอนแคลนได้แต่จริงถ้าคนฉลาดเนี่นะถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเจอคนแบบนี้เช่นเจอคนกินเหล้าเนี่ยถ้าคนที่ฉลาดก็จะไม่ต่อว่าคนกินเหล้าแต่เขาจะย้อนกลับมามองตัวเองว่าเออเราต้องระวังนะ เราอย่าเป็นอย่างเขานะอันนี้เป็นวิสัยของคนฉลาของผู้มีปัญญาหรือผู้ที่เป็นบัณฑิตเมื่อเห็นคนทําในสิ่งที่ไม่สมควรแทนที่จะไปต่อว่าด่าเขาก็จะมองกลับมาที่ตัวเองว่าเราอย่าเป็นอย่างเขานะเอาคนเหล่านี้เนี่ยเอาสิ่งที่เห็นเอาคนเหล่านี้มาเป็นบทเรียนสอนใจ เพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่ไปหลงอย่างเขาเห็นนักการเมืองคอร์รัปชันนะเราก็แทนที่จะด่าเขาเรากลับมามองว่าเออเราต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขาถ้าเป็นอย่างเขานี่มั น, นชีวิตนี้ถึงแม้มันจะร่ำรวยแต่ว่าจิตใจไม่มีทางจเจริญได้นะแล้วก็มีแต่ไปสู่อาบาย วิสัยของบัณฑิตนะวิสัยของนักปฏิบัติก็ได้นะก็คือเมื่อเห็นใครทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะจะไม่ไปเพ่งจิตกล่าวหาต่อว่าเขาเพราะมันไม่มีเีประโยชน์อะไรถ้าจะมีประโยชน์ก็ตรงที่ว่าเอาเขามาเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าเราจะต้องระมัดระวังอย่าเป็นอย่างนั้นนะถ้ามอแบบนี้เนี่ยนะ สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคนที่เขากระทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็น อ, อุปกรณ์สอนทามาให้กับเราได้นะวิสัยของบัณฑิตนะวิสัยของนักปฏิบัติคือว่าย้อนกลับมามองที่ตัวเองนะอันนี้เป็นเป็นเป็นหัวใจนะของการปฏิบัติธรรมเลย แล้วว่าไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติของธรรมะเคือนนี้นโอปัญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนะเมื่อเราเห็นนะแล้วก็ตามเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเห็นคนเมาแล้วเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเออเราอยาเป็นอย่างเขานะเห็นคนที่รุ่มหลงในกามในใน อ, อในความสนุกสนานแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเนี่ย อย่าเป็นอย่างเขาเห็นคนขี้โกรธมักโกรธนะเราก็ไม่ดูถูกเขาแต่เรามองว่าเนี่ยเราจะเป็นอย่างเขานะเพราะว่าเราถ้าเราเป็นคนโกรธอย่างเขานี่หน้าตาดูไม่ได้รือกลายเป็นยักษเป็นมาร น, นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยมองตนเท่าไหร่นะมันเคยมีนะไม่เ ค, เคยมีคนตั้งตั้งคำถามประเด็นว่า เวลาคนคุกเนี่ยเขาดูละครไทยเนี่ยแล้วก็ในละครไทยมันก็มีพระเอกและผู้ร้ายเนี่ย mm hmm. เขาถามว่าคนในคุกเนี่ยคู้ต้องหาหรือว่าคนที่ถูกตัดสินจำคุกแล้วเนี่ย mm hmm. คนเหล่านี้เนี่ยเวลาก็ดูละครไทยเขาเชียร์ใครเขาเชียร์พระเอกหรือผู้ร้ายนะร้อยทั้งร้อยนี่เชียร์พระเอกแล้วก็ด่าผู้ร้ายนะ ้อยทั้งลอยเลยนะทั้งทั้งที่ไอ้ผู้ร้ายเนี่ยนะที่เขาลังเกียดนี่นะมันก็ไม่ได้มีพฤติกรรมไม่ได้ต่างจากเขาเลยนะผู้ร้ายในละครไทยอาจจะมีพฤติกรรมดีกว่าตัวเขาเองซะอีกเพราะบางคนก็เป็นขาตกรบางคนก็เป็นพวกขมคืนนะแต่เวลาดูหนังไทยดูละครไทยทีไรเชียร์แต่พระเอกไม่เคยเชียร์ผู้ร้ายเลยไม่เชียร์ผู้ร้ายไม่พอกับ อ่ารังเกียดผู้ร้ายด้วยนี่พ่ออะไรนะเราจะมองว่าเป็นพ่อเขามีความฝ่ายดีอยู่ก็ได้เขามีความฝ่ายดีนะในตัวในตัวผู้ต้องหาผู้ร้ายนี่เขาก็มีความฝ่ายดีเขาก็เชียร์คนดีแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จักตัวเองเพราะเขาไม่มองตัวเองเวลาเขาดูละครนี่เขาไม่มองตัวเองว่าไอ้ผู้ร้ายนั่นเนี่ยในละครนั่นเนี่ยที่จริงมันก็คือไม่ได้ต่างจากตัวเขาเอง คนที่ขี้อิจฉาเนี่ยนะในชีวิตจริงนะเวลาดูละครไทยนะก็จะเกลียดตัวอิจฉามากเลยนะเกลียดตัวอิจฉาจกนกระทั่งว่าดาราที่เป็นตัวอิจฉานั้นเนี่ยเวล า, เ, าเวลาเขาเห็นในท้องถนนบางทีเขาก็อาจจะด่าก็ได้ดา่าดารานะที่เป็นตัวอิจฉาทั้งที่มันมันนอกมันนอกเวทีไปแล้วมันนอกนอกบทนอกจอไปแล้ว แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอินไปกับตัวดาราที่เป็นตัวฉาคนเหล่านี้เนี่ยทำอย่างนั้นได้ยังไงนะเพราะเขาไม่ได้มองตัวเองเขาไ ม, ไม่ได้มองตัวเองว่าเขาเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากตัวผู้ร้ายหรือตัวฉาในละครแล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าเขานีมีพฤติกรรมไม่ต่างากันเนี่ยเขาจะไม่กล้าดา่า ผู้ร้ายในละครนะเพราะเขจะรู้สึกว่าด่าผู้ร้ายในละครด่าตัวอิจฉาในละครก็เหมือนกับด่าตัวเองเขาไม่กล้าแต่พราะเขาไม่เห็นไงทําไมถึงไม่เห็นเพราะเขาไม่มองไม่มองตัวเองนะอันนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกแล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้กันส่วนใหญ่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองไม่เห็นตัวเองนะเราทําอะไรไปก็ มองเห็นแต่คนอื่นนะแต่ไม่เห็นตัวเองแล้วเวลาเพ่งโทษนะก็เพ่งโทษคนอื่นจนกระทั่งไม่รู้เท่าทันไม่เห็นพฤติกรรมของตัวเองไอการที่ไม่มองตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราไปท่วคนอื่นหรือมองคนอื่นเป็นตัวปัญหาได้ง่ายมากเลยมันมีเรื่องเล่าว่าเนี่ย ผู้ชายคนหนึ่งนะก็โทรไปหาโทรศัพท์ไปหาหมอเป็นหมอที่คุ้นเคยกันนะหมอภรรยาผมไม่ทราบเป็นอะไรนะสงสัยจะหูตึงแล้วนะช่วยมาตรวจหน่อยหมอก็บอกว่าอันนี้มันเสาร์อาทิตย์นะนะเอาไว้ให้ าพาภรยาไปตรวจที่คลินิกผมก็แล้วกันแต่ว่าตัวสามีก็ไม่ยอมนะอยากให้หมอมาตรวจเพราะว่าภรรยานี่หูตึงมากนะพูดอะไรไปไม่ตอบสนองเลยหมอก็เลยบอกว่าผมอเอางี้แล้วกันนะตรวจเช็กกันทางโทรศัพท์ก็แล้วกันนะ จะได้เช็กว่าหูตึงแค่ไหนนะตอนนี้คุณอยู่ไหนผมอยู่ห้องนอนครับอา้าวคุณไปเดินไปที่หน้าประตูนะหน้าห้องนอนแล้วก็เรียกชื่อภรรยาเขาก็ทำตามนะสมทรงสมทรงสมทร ง, สทรงเสร็จแล้วก็พูดกับหมอว่าภรรยาไม่ตอบเลย งั้นคุณเดินเข้าไปใกล้ๆนะตอนนี้ภรรยาคุณอยู่ไหนภรรยาอยู่ในห้องครัวนะคุณเดินไปใกล้ๆเดินไปตรงระเบียงรวตะโกนสมทรงสมทร ง, ทรงก็ไม่ตัวสามีก็บอกว่าไม่มีเสียงตอบเลยนะงั้นเข้าไปใกล้ๆนะ ไปที่หน้าปหน้าห้องครัวเลยตะโกนซช่เรียกชื่อดังๆเรียกชื่อสมทรงสมทรงก็ปรากฏว่าตัวสามี้ก็บอกไม่มีเสียงตอบเลยจากภรรยา้ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่หมอถามเขากำลังหันหลังให้ผมสงสัยกำลังล้างจานงั้นคุณลองไปไปที่ข้างหลังเขาเลยนะแล้วก็เรียกชื่อเขา สมทรงสมทรงสมทรงครานี้ภรรยาหันมาเลยถามว่ามีอะไรหรือนะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรคุณเรียกฉันมาสิบกว่าครั้งแล้วฉันก็ตอบทุกครั้งว่ามีอะไรมีอะไรนะแล้วทำไมคุณก็ยังเรียกฉันอยู่คุณไม่ได้ยินหรือไงสงสัยคุณเนี่ยหูตึงแล้วเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วนะจ <c oughs> กลงใครหูตึงกันแน่นะ สามีหรือภรรยานะสามีหูตึงแต่ไม่รู้ตัวนะก็ไปโทษว่าภรรยาหูตึงที่จริงภรรยาเขาตอบแต่ตัวเองไม่ได้ยินต่างหากนะแล้วเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะหรือว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้อยู่นะก็คือเราคิดว่าคนอื่นเป็นปัญหาที่จริงเราคือปัญหาหรือว่าเราจะเป็นปัญหาก็ได้แต่เราไม่กลับมามองตัวเรานะ เพราะความขัดแย้งหลายครั้งเนี่ยในครอบครัวในที่ทำงานนะในชุมชนเนี่ยมาเกิดจากการที่ผู้คนเนี่ยต่างมองออกนอกตัวหรือ ต, ต่างเพ่งโทษคนอื่นต่างมอคนอื่นเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จักหรือรับรู้พฤติกรรมของตัวเองเท่าไหร่ว่า นั่นแหละคือปัญหาเน้นถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยหันมามองตัวเองเนี่ยนะแล้วก็ไม่เพ่งโทษคนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะพบว่าออที่จริงเนี่ยเราคือเป็นเราคือปัญหาหรือไม่ก็เราก็จะระมัดระวังตัวเราเองได้ให้ดีขึ้ น, นการปฏิบัติธรรมเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยนะ นอกจากการทำความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลแล้วนะสิ่งนี้ที่สำคัญคือว่าการที่กลับมากลับมามองดูตัวเองนะกลับมารับรู้สังเกตสังกาพฤติกรรมของตัวเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหาันมาหรือว่าย้อนมองตัวเราเองอยู่เสมอเนี่ยไอการที่เราจะมีพฤติกรรมที่ ก่อปัญหากับคนอื่นหรือว่าสร้างปัญหากับตัวเองเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะและที่จริงแล้วการมองกลับมาที่ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูรับรู้ในระดับพฤติกรรมเท่านั้นว่าเราทำอะไรไปเราพูดอะไรไปแต่ที่จริงเนี่ยมันต้องกลับมาดูให้ลึกกว่านั้นให้ละเอียดกว่านั้นคือกลับมารู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง นะไม่ใช่แค่รู้ทันพฤติกรรมของตัวเรานะว่าเราพูดอะไรไปเราทําอะไรไปนะมันต้องกลับมาเห็นหรือรู้ใจของตัวเองมันก็แปลกที่ว่าเวลามีความคิดเวลามีอารมณ์เนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครมก็เกิดขึ้นกับเรา เกิดขึ้นกับใจของเราแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยมองไม่เห็นหรือไม่รับรู้เช่นเวลากโกรธก็ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธนะเวลาโมโหก็ไม่รู้ว่าตัวเองโมโหนะเวลาเศร้าที่ก็ไม่รู้วตัวเองเศร้านะและทั้งทั้งที่ความโกรธความโมโหความเศร้าเนี่ยมันก็ทําให้ทุกข์ มันเผาลนจิตใจมันบีกคั้นจิตใจมันทิ่มแทงจิตใจแต่ไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็เลยเล่นงานหรือรังควานจิตใจเราความทุกข์ของผู้คนสมัยนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ทุกจากคนอื่นนะมันทุกจากอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเรา อันนี้พูดถึงความทุกข์ใจนะไอ้ความทุกข์กายเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกอาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากอาหารอาจจะเกิดจากความเชื้อโรคน้ำมาทิ่มหรือว่าก้อนหินมากระทบอันนั้นเรื่องทุกข์กายแต่เรื่องทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้น ในใจของเราเพียงแค่เกิดความอยากขึ้นมาก็ทุกข์ละเมื่อแต่ก็ตามที่เราเกิดความโลภขึ้นมาเราก็รู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากได้อยากมีทุกข์เพราะรู้สึกว่าเรายังไม่มีสิ่งที่อยากเพียงแค่อยากนี่มันก็ทุกข์แล้วนะ แล้วก็ถ้าความอยากนั้นมันผลักให้เราไปดิ้นรนสแสวงหาก็ยิ่งทุกข์ก็ใบใหญ่เพราะว่าในขณะที่ยังไม่ได้มาก็จะรู้สึกว่ายัางไม่เต็มอิ่มยังขาดยังพร่องความโกรธก็เหมือนกันนะเมื่อมันเกิดขึ้นกับใจมันก็เผาล้นจิตใจของเราแล้วเรามักคิดว่าที่เราทุกข์ใจเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นเป็นเพราะคนพูดไม่ดีกับเรา เนะพราะเขาต่อว่าด่าทอเราเนะพราะเขาทำไม่ดีกับเรานะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าใครเขาจะทำอะไรเราถ้าเพียงแต่เราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็ไม่ทุกขนะ์ตอนนั้นเราจะกำลังกินข้าวอยู่กาลังคุยกับเพื่อนอยู่ ไอ้ตอนที่กินข้าวกำลังคุยกับเพื่อนคุยกับลูกเนี่ยใจเราไม่ได้ไม่ได้นึกถึงคนที่เขาต่อว่าดา่าทอเราเลยเราก็เลยไม่ทุกข์เรากลับเพลิดเพลินซิอีกแต่พอเขาพอเราเริ่มนึกถึงไอ้สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทากับเรานะีพอคิดถึงเนี่ยในหลนัมันก็ปรีดเลยนะตอนนี้เรเคยปรีดมาแล้วแต่ก็ยังปรีดอีกนะเราทุกข์เพราะความคิด ก็คิดก็คือคิดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราแต่พอไม่คิดมันก็ไม่ทุกขนะ์อันนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเฉพาะหน้าก็ตามเราได้ยินแต่เราไม่สนใจนะเราก็ไม่ทุกข์ ได้ยินหูข้าวหูซ้ายทรลุหูขวานะเราก็ไม่ทุกข์แต่พอเราเก็บพอมาคิดหรือว่าจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมันทุกทันทีเช่นเสียงดังเสียงโทรศัพท์ดังนะในศาลาถ้าเราไม่สนใจนะเรามาสนใจเสียงบรรยายนะที่อาตมากำลังพูดไอเสียงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ แต่พอเอาใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นถึงแม้มันจะเป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงวิงโทนยิงโทนที่ไพเราะแต่ว่ายิ่งเราจดจ่ออยู่กับมันเท่าไหร่เราก็ยิ่งถุกเพราะว่าหลายเพราะาใจมันผักใสใจไม่ชอบเสียงนั้นมีความคิดขึ้นมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ไม่สมควรไม่ถูกต้อง มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเวลาเรานึกขึ้นมาทันทีว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเสียงไม่น่าดังเจ้าของโทรศัพท์ไม่น่าเปิดเครื่องเอาไว้พอคิดถึงคำว่าไม่น่าเนี่ยทุกเลยนะมันเกิดความผักใสขึ้นมาทันทีคนเราทุกพราคำว่าไม่น่าจะนี่เยอะนะไม่น่าจะ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขับรถขับรารถติดนะพอคิดขึ้นมาว่ามันไม่น่าจะติดตอนนี้หรือว่ามันไม่น่าจะติดยาวอย่างนี้ทุกเลยเครียดเลยหงุดหงิดเลยนะแล้วเราก็ปล่อยให้คําว่าไม่น่าจะเนี่ยมันเล่นงานจิตใจเรา คำว่าหน้าจาก็เหมือนกันนะนะคนทํางานมีความทุกข์พอคิดว่าเจ้านายเขาน่าจะเห็นความดีของเราเขาน่าจะขึ้นเงินเดือนให้เราหรือว่าในครอบครัวนะแฟนน่าจะเห็นใจเรานะแฟนน่าจะรู้ใจเรา จ่เขาไม่เห็นใจเราเลยเขาไม่รู้ใจเราเลยเขาน่าจะพูดดีกับเรานะพอมีคำว่าน่าจะเกิดขึ้นนี่นะในตัวอย่างที่ว่ามาเนี่ยก็มีความน้อยใจเสียใจรู้สึกว่าเจ้านายไม่แฟ่เจ้านายไม่ยุติธรรมนะแฟนไม่เห็นคุณค่าของเรานะไปกันใหญ่เลยนี่เราทุกเพราะความคิดแล้วเราก็คิดแบบนี้ พอให้ความคิดแบบนี้เล่นงานเราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เพราะว่าเราไม่รู้ทันความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงไม่รู้ทันเพราะว่าเราส่งจิตออกนอกนะเราไม่ค่อยกลับมาตามดูรู้ทันใจของเราไอ้การที่กลับมาตามดูรู้ทันใจของเรานี่สำคัญมากในทาให้เราเนี่ยไม่ไปเออเรามันจะทำให้ไอ้ความคิด ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันทําร้ายจิตใจเราได้น้อยลงคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยรู้ทันในสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดอันตรายมี2 อ, อย่างอันตรายภายนอกกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายภายนอกก็เช่นงูเงี้ยวเขียวขอผู้ร้ายนะ หรือว่าภัยธรรมชาติส่วนอันตรายที่ปกปิดก็คือไอเกิเลสหรืออารมณ์อุศลที่มันเกิดขึ้นในใจรวมทั้งความคิดต่างๆที่มันคอยซ้ำเติมจิตใจของเราอย่างที่พูดมารวมทั้งการคิดในแง่ลบการชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นไอนะความคิดแบบนี้เนี่ย มันทำร้ายจิตใจคนโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ก็เยอะนะคนที่ชอบมองแง่ลบเนี่ยเห็นอะไรแต่ในแง่ลบเนี่ยแล้วก็ก็มีความทุกข์แล้วเขาก็ไม่เคยรู้เท่าทันไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเป็นเพราะเขาคิดแบบนี้แหละแล้วเขาถึงมีความทุกข์เห็นแง่ลบของคนอื่นเห็นแง่ลบของตัวเองนะการคิดในแง่ลบนี่ยังรวมถึงว่านะการ เห็นแต่จดจ่ออยู่แต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีไอสิ่งที่ตัวองมีไม่สนใจไม่ชื่นชมไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่มีนะบางคนได้โชคได้ลาบมานะแทนที่จะมีความสุขแทนที่จะพอใจกลับมีความทุกข์เพราะรู้สึกว่าฉันน่าจะได้มากกว่า น, นี้ ไอสิ่งที่ฉันมีเนี่ยมันคือเสียไม่ใช่ได้มันมีเรื่องเล่าว่านะมีพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยอายุก็มากแล้วตอนหลังมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เห็นคุณค่าของการทําสมาธิภาวนาะก็ตั้งใจว่าเนี่ยเยน็นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นเนี่ยจะตั้งใจปฏิบัติธรรม น, ะนั่งสมาธิแต่เพราะว่า ทำได้ไม่เท่าไหรนะเกิดปัญหาเพราะว่าถน น, นหน้าบ้านเนี่ยพอถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีเด็กมาเล่นเล่นฟุตบอลเด็กมาเล่นฟุตบอลมันเสียงของเด็กนี่รบกวนมากทำให้เขานั่งสมาธิไม่ได้เขารู้สึกหงุดหงิดแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยทํายังไงถึงจะให้เด็กเนี่ยมันเลิกเล่นทีแรกเขาคิดว่าจะไปไล่ตะเพิดเด็กแต่เขาคิดรู้ว่าคืนทําแบบนั้นเด็กก็คงมา มาแกล้งเขาอีกหรือมาแกล้งเขาหนักขึ้นาการไล่ตะเพิดเด็กนี่ไม่ได้ผลเขาทำยังไงเขาก็ลงไปหาเด็กนะแล้วก็บอกเด็กว่าโอ้พวกเธอนี่เล่นฟุตบอลนี่มันทำให้ลุงเนี่ยรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากเลยนะจิตใจเบิกบานรู้สึกนะถึงความสดชื่นของเด็กๆนะ ล, ลุงขอให้เงิน พวกเธอเป็นรางวัลนะร้อยบาทนะเด็กก็ดีใจนะเด็กก็ดีใจอันที่ต่อมาเด็กก็มาอีกนะคราวนี้พ่อค้าคนนี้ก็ลงไปไปหาเด็กก็บอกว่าขอบคุณนะที่มาเล่นกีฬาให้หลงรู้สึกสบายใจนะแต่ว่าตอนนี้เงินไม่ค่อยมีนะ เอาไปห้าสิบาทนะนเด็กก็ยังดีใจอยู่นะเล่นเสร็จก็ไปอธิตต่อมาเด็กมาอีกคราวนี้ลุงก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้ลวงไม่ค่อยมีเงินเลยเอาไปสิบบาทก็แล้วกันนะเด็กนี่ตอนนี้ไม่แฮปปี้แล้วนะรับเงินอย่างเสียไม่ได้และอธิตต่อมาเด็กก็ไม่มาอีกเลยทำไมเด็กไม่มา เด็กเขาบอกว่าไม่คุ้มนะก่อนหน้านี้ได้ร้อยหนึ่งแต่คราวนี้ได้สิบบาทไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะเด็กไม่มาเทีแรกเด็กเนี่ยมาเล่นเพื่อความสนุกนะแต่พอได้เงินเนี่ยนะได้ร้อยหนึ่งเนี่ยเด็กก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปพอได้สิบบาทเนี่ยเด็กไม่พอใจแล้ว เดีกก็รู้สึกว่าเขาน่าจะได้ร้อยแต่ได้สิบเดี๋ยวเขารู้สึกว่าเขาเสียไปเก้าสิบเขาไม่ได้คิดว่าเขาได้สิบนะเด็กก็คิดว่าเขาเสียไป 90. เก้าสิบเขาก็เลยไม่มาเล่นแล้ะ <c oughs> ก็สมปรัถนาของอพ่อค้าคนนี้ก็สามารถจะนั่งสมาธิได้อย่างสงบสุข อันนี้เราไม่พูดนะว่ า, าลุงคนนี้นี่แกโกหกเด็กยังไงบ้างนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็ว่าเด็กทําไมแต่ก่อนเล่นฟรีๆมาเล่นนะแต่พอได้สิ บ, บาทไม่เล่นละเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ได้สิบบาทเขาเสียไปเก้าสิบนเด็กคิดแบบนี้ฉลาดหรือโง่นะแต่บางทีเราก็เป็นเหมือนเด็กคนนี้เหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่าเราได้น้อย เพื่ออตมาคนหนึ่งนะเป็นนักเอเป็นนักเล่นหุ้นนะเล่นหุ้นเป็นประจําแต่ตอนนี้เขาเลิกแล้วเพราะเขารู้สึกว่าการเล่นหุ้นเนี่ยนะมันได้เงินก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยมีความสุขนะเขายอมแลกความสุขเพื่อได้เงินแต่ตอนนี้เขาได้เงินเยอะแล้วเขาขอเอาความสุขละไม่เอาเงินแล้วขอความสุขแทนก็เลยเลิกเล่นหุ้นเขาตอนที่ยังเล่นหุ้นอยู่เนี่ยก็เจอ คุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้คุยไปคุยมาแกก็บอกว่าแกเล่นหุ้นเหมือนกันนะเล่นหุ้นแทบทุกวันเลยคุยไปคุยมาคุณป้าบอกว่าแกเพิ่งขายหุ้นไปเมื่อสองสามปีสองสามวันก่อนได้กําไรเฉพาะกาไรนะดสิบล้านบาทเพื่อต่อมาก็บอกว่ายินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะนะถ้าฉันขายหุ้นวันวันนี้ฉันได้กําไรและยี่สิบล้านคุณป้าไม่มีความสุข ได้สิบล้านนะแต่ไม่มีความสุขวันลงขึ้นคุณป้าก็หายไปจากตลาดทุนเพื่อตะมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าหายไปไหนก็ได้คําตอบคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วคงเดาออกใช่ไหมว่าเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรนะคเครียดนะคเครียดที่ได้สิบล้านคุณป้าเนี่ยแกเครียดเพราะแกไม่คิดว่าแกได้สิล้านนะแกคิดว่าแกเสียส10บล้านนะ แกคิดแกไม่ไดคิดว่าแกได้สิบล้านแกคิดว่าแกเสียสิบล้านเพราะแกคิดว่าแกน่าจะได้20ล้านไอ้คําว่าน่าจะนี่น่าจะได้ย0ล้านมันทำให้แกสูต ร, กรแกเสีย10ล้านแกก็เลยเครียดเข้าโรงพยบาบาลนีน่คือวิธีคิดของคนเราที่ทําให้เราทุกข์แล้วถ้าเราไม่รู้ทันความคิดแบบนี้นะก็จะทุกข์เรื่อยไปคุณได้ร้อยล้านคุณก็ทุกข์นะเพราะคุณคิดว่าน่าจะได้200อยล้านแทนที่จะคิดว่าได้ร้อล้านกับ ค, คิดว่าเสียไปร้อยล้านก็มือนก็เด็กนะ ที่เล็นบอลแล้วคิดว่าได้สิ บ, บาทแทนที่จะคิดว่าได้สิบบาทกับเที่ยวตัวเองเสียไปเก้าสิบเอาคนเราทุกข์เพราะเหตุ น, นี้มากแล้วถ้าไม่รู้เท่าทันตัวเองนะก็จะทุกข์แบบนี้เรื่อยไปแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะรู้ว่าความคิดแบบนี้เป็นปัญหาเราก็จะไม่ให้มันมาครอบงําใจเราค่อยๆปรับใจปรับความคิดในทางบวกได้อะไรคำนี้ก็เผื่เท่านี้นะ